ในที่นี้ก็ยกเอาเพียงข้อกิเลสคือตัณหาอย่างเดียวเพราะตัณหานั้นเป็นตัวก่อพบชาติและเมื่อมีชาติคือความเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บเพรตายในที่สุดและเมื่อยังมีตัณหาอยู่ยังดับตัณหาไม่ได้ตัณหาก็เป็นชนักับกิเลส ธนกรรมนำก่อภพก่อชาติใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเป็นชาติขึ้นต้องแก่ต้องตายตายแล้วก็มีปฏิสนธิคือเกิดเกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายตายแล้วก็เกิดก็เป็นอันว่าแม้ในวงกว้างก็วนเวียนอยู่ดังนี้สัตว์บุคคล หรือจิตอันนี้จึงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏะคือบนดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวัฏสงสารท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก ท, ท่องเที่ยววนเวียนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันศึกษาให้รู้จักตัวสมุทยัยคือตัณหาซึ่งเป็นตัวต้นเหตุเมื่อดับตัณหาเสียได้ก็เป็นอันว่าหักวัตตะคือวนดังกล่าวดับกิเลสดับทุกข์ทางจิตใจในปัจจุบันมีบากขันยังอยู่ก็อยู่ไปเหมือนอย่างมีบากขันของพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายและเมื่อดับขันในที่สุดไม่เกิดอีกก็เป็นอันว่าเป็นปรินิพพานคือดับรอบสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงก็เป็นอันศึกษาให้รู้จักทุกขเดิโรคือความดับทุกขจึงมาถึงศึกษาให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเพื่อรวมเข้า ในมักมีองค์แปดย่อเข้าของเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเมื่อศึกษาให้รู้จักก็ปฏิบัติหัดที่จะกำหนดรู้จักทุกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและกำหนดเข้ามาดูทุกอันมีอยู่ที่ตัวเราเอง คือชาติชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นตัวสภาวทุทกขัดดูให้รู้จักทุกทางจิตใจที่บังเกิดขึ้นมีโศกบริเทวะเป็นต้นและกำหนดให้รู้จักว่าที่ต้องมีทุกโศกกันอยู่เหล่านี้ก็เพราะว่ายังมีที่รักยังมีไม่เป็นที่รัก เมื่อประโจกกับสิ่งที่ไม่เป็นทีรักก็เป็นทุกข์ขึ้นมาพลาดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ขึ้นมารวมเข้าก็คือว่าเพราะยังมีความปรารถนาในความปรารถนานั้นไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอันความปรารถนาไม่สมหวังนั้นย่อมมีอยู่ เพรความปรารถนาที่สมหวังที่เรียกว่าสมหวังนั้นก็คือความที่ได้มาตามที่ต้องการตามที่หวังแต่ความที่ได้มาตามที่ต้องการตามที่หวังนั้นเรียกว่าเป็นความประจวบเมื่อประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็ย่อมจะมีความสุข แต่ว่าอันความสุขที่ได้จากความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของความคัดพลาดเหมือนอย่างเมื่อไดชาติคือความเกิดมาตนเองเกิดมาก็ดีลูกหลานเกิดมาก็ดีตัเรียกว่าเป็นความตั้งต้นการได้ แต่ว่าความตั้งต้นการได้นี้ก็เป็นความตั้งต้นของความเสื่อมความดับเพราะเมื่อเกิดมาก็ต้องแรปรรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางขึ้นและในทางเสื่อมจนถึงดับในที่สุดแต่ว่าเมื่อยังมีตัณหามีความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็ยอมจะไม่ต้องการให้สิ่งที่ยึดถือนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องดับไปซึ่งเป็นการฝืนสภาพธรรมดาอันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้การได้นั่นเองและยึดถือจึงเป็นตัวต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ต่างๆ ความได้ที่ทุกคนพอใจดีใจร่าเริงนั้นทุกอย่างเป็นความตั้งต้นแห่งความทุกข์เพราะจะต้องแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงต้องพัดพรากไปการได้ลาบในยศที่ทุกคนพอใจดีใจร่าเริงนั้น คือความเริ่มต้นของความซึ่งเป็นตัวทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะในที่สุดก็จะต้องพลัดพรากถ้าลาบยศนั้นไม่พลัดพรากไปก่อนชีวิตนี้ก็ต้องพัดพรากเพราะชีวิตนี้ก็ต้องเกิดต้องดับเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับหัดกำหนดพิจารณาให้รู้จักตระจนักคือความจริงดังนี้คือให้รู้จักว่าทุกเป็นทุกอันนี้เป็นข้อฝึกทางปัญญาที่จะให้รู้จัก รู้จักว่าทุกเป็นทุกนั้นนอกจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามที่ได้แสดงแล้วก็กําหนดให้รู้จักว่าทุกทุกสิ่ง ท, ท, ที่ได้จะเป็นราบเป็นยศเป็นอะไรก็ตามที่ได้นั้นชื่อว่าเป็นการได้ นี่เป็นความตั้งตนของความคลาดาดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ก็ดีใจรู้สึกเป็นสุขแต่ความดีใจความสุขนั้นตั้งอยู่ประเดียวประดาวแล้วเมื่อสิ่งที่ได้นั้นต้องแปรปรวนเปลปี่ยนแปลงไปดับไปเมื่อมีความยึดถืออยู่ก็เป็นตัวเราของเรายึดถือไว้เท่าไหร่ ก็ต้องเป็นทุกข์ยึดถือมากก็ทุกข์มากยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดถือเลยจึงจะไม่เป็นทุกข์ดฉงนั้นก็ต้องศึกษาให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้จักว่าสิ่งที่ได้จะเป็นลาบเป็นยศก็าตามเป็นความสุขเป็นความรื่นเริงเป็นความหัวเราะความบันเทิงต่างๆนั่นเป็นตัวทุกข์ เป็นตัวทุกทุกทุกอย่างเพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะดำรงอยู่หัดรู้จักทุกรู้จักตัวทุกว่าเป็นตัวทุกดังนี้และความที่กาหนดให้รู้จักทุกว่าเป็นตัวทุกดังนี้ ก็พึงหัดกําหนดให้รู้จักทุกๆอย่างที่ประสบทางอาชตพนะทางสิ้นแม้ตัวความสุขความร่าเริงความเพลิดเพลินต่างๆเองก็กําหนดให้รู้จั ก, กว่านั่นแหละก็เป็นตัวทุกเพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับสิ่งทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความสุขความเพลิดเพลิน เหล่านั้นก็เป็นตัวทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับทําความรู้เท่าไว้ตั้งแต่ในเบื้องตน้นเมื่อจะมีความสุขก็มีความสุขไปมีความเพลิดเพลินมีความร่าเริงมีความหัวเราะออกหัวเราะไปร่าเริงไปเพลิดเพลินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ทําความรู้เท่าทันไว้ด้วยวัวนั้นคือตัวทุกข์ทั้งนั้น เราเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทุกทุกอย่างตากับรูปหู ก, กับเสียงเป็นต้นก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง และเมื่อตากับรูปประจบกกันเห็นรูปจริงจริกของวิญญาณก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทุกตัอย่างเป็นสิ่งผสมเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งท้งนั้นซึ่งมีความรวมกันเข้ามา ประจวบกันเข้ามาที่เรียกวัชชาคือความเกิดก็ได้เป็นเบื้องตน้นแล้วก็ต้องมีความแตกมีความดับในที่สุดเรียกว่าเกิดดับเกิดเป็นเบื้องต้นดับเป็นที่สุดทุกอย่างต้องเป็นไปดังนี้และสิ่งที่มาผสมปรุงแตง่งอันมีลักษณะดังนี้นี่แหละเรียกว่าสังขารสิ่งผสมปรุงแตง่งทําความรู้จักว่านี่คือสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแตง่งอันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ และเมื่อเป็นสังขารอันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับดังนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้รู้จักลักษณะของสิ่งผสมปรุงแตง่งอันเรียกว่าสังขละลักษณะลักษณะของสิ่งผสมปรุงแตง่งหรือลักษณะของสิ่งที่เดียว่าเป็นสงขาคือเป็นสังขาร ว่าอุปาโดปัญญาญาติความเกิดขึ้นปรากฏวโยปัญญาญติความปรากฏที่ตตะอัญญาทะตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่ความที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏความเปลี่ยนแปลงไปนี่ของชีวิตของทุกๆสิ่งมีอยู่ตลอดเหมือนอย่างการเวลาที่เปลี่ยน แปลงไปอยู่ทุกขณะไม่มีหยุดการเวลาไม่มีหยุดที่จะล่วงไปล่วงไปต้องเปลี่ยนแปลงไปสังขารชีวิตร่างกายทุกๆสิ่งในโลกนี้ก็ไม่มีหยุดต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดให้รู้จักสังขารจึงต้องกำหนดให้รู้จักวิปรินามะ อันเป็นลักษณะของสังขารอันได้แก่ความแปรเปลี่ยนแปลงนี่เป็นวิธีพิจารณาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนวิธีกำหนดให้รู้จักทุกข์ไว้สามอย่างข้อหนึ่งก็คือว่าทุกขะทุกขะให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ข้อสองสังขาระทุกขะ ให้รู้จักว่าทุกข์ก็คือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมดให้รู้จักวิปรินามาทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจุดถึงดับมีเกิดเบื้องต้นมีดับเป็นที่สุดดังนี้เพราะฉะนั้น ท่านที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อฟังเทศนาของพระพุทธเจ้าดังท่านพระอัญญาโกลทัญญาเมื่อฟังปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงอริยสัจท่านฟังแล้วท่านเข้าใจจับประเด็นอันสำคัญได้ คือท่านเห็นทุกเห็นทุกขะทุกข์ตัวทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์เห็นสังขารด้ทุกขะทุกข์คือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งเห็นวิปริณามะทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดต้องดับทำมาจากสุลวงตาเห็นถามของท่านจึงมีแสดงไว้ว่า ท่านเห็นว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมมัสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสับบันตังนิโรตธรมมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คือท่านเห็นทุกข์ทุกขะเห็นสังขารทัทุกขะเห็นวิปรินามะทุกขะทุกทุกสิ่งที่เป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นตัวทุกข เป็นตัวสังขารและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับทั้งสิ้นอันนี้แหละเป็นธรรมจัจจุดวงตาเห็นธรรมฟังเทศอริยสัจท่านเห็นดวงท่านเกิดธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมดังนี้และท่านที่ได้ดวงตาเห็นธรรมดังนี้ท่านแสดงว่าท่านได้โสดาปฏิมาโสดาปฏิผลดเป็นโสดาบันญบุคคล อันเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูวนและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเรื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 ตามเทราธิบายแห่งท่านพระสาริบุตรและโดยที่ท่านได้อธิบายไว้โดยปริยายคือทางสแสดง ติดต่อกันหลายข้อหลายประการแต่อันที่จริงก็เป็นทางธรรมะที่ดาเนินไปทางเดียวกัน เป็นแต่ทั้นได้จำแนกแจกแสดงเพื่อเป็นทางพิจารณาทางปัญญาของผู้ที่มุ่งทราบและมุ่งปฏิบัติอบรมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายได้ถามท่านต่อไปอีกว่าจะมีทางอธิบายสัมมาทิฏฐิอีกหรือไม่ ท่านก็ตอบว่ามีและก็ได้แสดงอธิบายต่อไปอีกว่าสมาธิทิความเห็นชอบก็คือรู้จักชรามรณะ รู้จักเหตุเกิดแห่งชราและมรณะรู้จักความดับชรามรณะและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ ขันก็ได้แสดงขี้แจงต่อไปอีกว่าชรา <c oughs> ก็ได้แก่ความแก่ความสุดซอม ปัญหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุความงมแก่แห่งอินทรีย์ทั้งหลาย มีตาเป็นต้นมรณะก็ได้แก่จุติความเคลื่อนความแตก ความหายไปมริติยูความตายการกระทากาลละความแตกแห่งขันทั้งหลาย ความทอดทิ้งซากศบไว้ความตัดขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตรู้จักชราความแก่มรณะความตายดังนี้ เหตุเกิดแห่งชรามรณะความแก่ความตายก็คือชาติความเกิดรู้จักเหตุเกิด แห่งความแก่ความตายก็คือรู้จักว่าชาติความเกิดเป็นสมุทยัยเหตุเกิดแห่งความแก่ความตายดับชาติคือความเกิดเสียได้ก็เป็นความดับชรามรณะ รู้จักความดับชารามรณะก็คือรู้จักว่าดับชาติคือความเกิดเสียได้เป็นความดับชารามรณะดังกล่าวทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติคือความเกิดทางปฏิบัติให้ถึงความดับชารามรณะความแก่ความตาย ก็คือมักมีองแปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความรำาริชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมารกรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชารามรณะก็คือรู้จักว่ามักมีองค์แปดดังกล่าวเป็นทางดับชารามรณะ ม่รู้จักดังนี้ก็ชื่อว่าสมาธิทิความเห็นชอบความเห็นรเป็นเหตุละอนุใสอินเลทที่ นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดีบรรเทาปฏิคาอนุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งขัดเคืองถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็น ละอวิชาความไม่รู้ทำวิชาความรู้ให้บังเกิดขึ้นนำให้ได้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำมาสู่พระศิธรรมคือพระธรรมวินัยในาศาสนานี้ดังนี้ ตามเทราธิบายนี่ก็เป็นการแสดงนธิบายอริยสัจ ท, ทั้งสี่นั่นแหละให้พิสดารกว้างขวาง ออกไปโดยที่อริยสัจทั้งสี่นี้เป็นหลักใหญ่เป็นผลเป็นเหตุ ในด้านทุกข์หรือด้านวัตตะความวนเวียนเป็นเหตุเป็นผลในด้านดับทุกข์หรือดับวัตตะความวนเวียน และแม่ในอธิบายอริยสัจทั้งสี่ที่อธิบายโดยทั่วไปดังที่พระสารีบุตรไ ด, ดได้แสดงอธิบายไว้ ในเบื้องต้นแล้วว่าสมาธิที่ความเห็นชอบก็คือรู้จักทุกรู้จักทุกขกับสมุทัยเหตุเกิดทุกข์รู้จักทุกข์กับนิโรธความดับทุกข์รู้จกักมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และก็ได้แสดงอธิบายแต่ละข้อขยายความออกไปดังใน